ศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ไม่ใช่ศาสนาที่จะติดอยู่กับโลกอิทธิฤทธิปฏิหารมันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ทำให้พ้นจากโลกยิ่งไปหลงงมงายกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งติดโลกไม่เลิกหรอก บางทีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนท่านก็ใช้อิทธิฤทธิ์ไปต่อสู้ในบางคราวท่านก็ใช้เหมือนกั น, นท่านไม่นิยมริดเดทที่ท่านนิยมท่เรียกว่าอนุสาสนิปฏิหารปฏิหารอย่างนี้ชอบท่านยกย่องอิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้คนมีกิเลสมันก็แสดงได้ ทำได้ต่างๆนา น, นานอยู่ที่การฝึกจิตสมาธิแบบมิชฉาสมาธิก็ทําให้มีฤทธิ์ได้อารามณูปนิชานก็ทําให้มีฤทธิ์ได้นะลักขณูปนิชานถ้าฝึกจริงก็มีฤทธิ์ได้ลักขณูปนิชานนี่มีฤทธิ์มากที่สุดเลยฆ่ากิเลสตายเวลาเกิดอริยมรรนะอิทธิปฏิหาร ท่านก็ไม่ได้ยกย่องอะไรเพราะว่าไม่ทำให้เราพ้นทุกมีไหมมีแต่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกไม่มากน้อยสันโดษนะไม่ปราลบความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความไม่ครุกคลีอะไรเงี้ยยิ่งพระองไหนนะดังทางมีฤทธิ์มากคนยิ่งไปหาเยอะอุ่นวัยนะอา่าเทศนาปฏิหารถ่ายใจคนอื่นได้ เป็นวิชาหนึ่งที่จะถ่ายใจคนอื่นดักถ่ายใจเอาจะต่างกับเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณเนี่ยเป็นการกำหนดรู้ใจผู้อื่นด้วยใจของเรานะว่าใจเขามีราคาไหมมีโทสะมีโมหะไหมอันนี้ครูบาอาจารย์หรือพระนะท่านเอาไว้ใช้เพื่อสอนลูกศิษย์ รู้เท่าทานกิเลสอะไรเงี้ยไม่ได้เอาไว้ทำให้แตกตื่นพวกที่ฝึกอาเทศนาปฏิหารมันมีศาสตร์ของมันโดยเฉพาะไว้ถ่ายใจไ้คิดอะไรถ่ายได้นะถ่ายได้แล้วคนก็แตกตื่นเขาลบนับถือเขาถ่ายใจเราได้แต่เรามองใจเราไม่ออกเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากโง่กว่าเก่าคือไปฟังพึ่งเขามากขึ้นนะ ปฏิหารที่พระเจ้ายกย่องเป็นที่สามอันแรอิทธิปฏิหารที่สองเทศนาปฏิหารที่สามคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารที่สามารถสอนบัวสอนไกวให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะอยานี้เป็นปฏิหารใหญ่พระเจ้ายงย่องมันไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจดูจิตชืดปฏิหารอย่างนี้ดูจิตชืด ไม่ลดผลนี้บางคนพยายามนะมันจะลากหลวงพ่อไปสร้างพระโคง้งพระเครื่องอะไรเงี้ยไม่เอาด้วยหรอกทุกวันนี้คนที่มาหาหลวงพ่อนะมาภาวนาหน้าตาสดใสมาตอนหลังๆเนี่ยเริ่มมีว็จะมาขอพระเครื่องถ้าพวกนี้มาเต็มวัดเนะี่ยไม่ไหวฮนะไม่ได้คิดภาวนา ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่หลวงพ่อสนใจได้พระไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหาที่อื่นต่ออีกนะไม่ได้เอาพระไปพาวนาอะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หวังให้พระช่วยให้เฮงไม่รู้จักกฎของกรรมครูบาอาจารย์ท่านทำพระแจกทก็สอนให้มีสี่ห้านะอะไรถามว่าพระขลังไม่ขลังแต่ไม่เกินกรรม เ, เมื่อไม่เกินกรรมแล้วจะต้องมีอะไรมากมายเนาะ บอกว่าหนังเหนียวไหมเหนียวแต่ไม่เกินกรรมตอนนี้ถูกแมวขวนวนา็มีกรรมเนี่ยมันมันดิ้นไปดิ้นมานะมันฟังแล้วมันไม่น่าเชื่อถือมันไม่เหมือนศาสตร์ของพระพุทธเจา้าเราลงมือเจริญสมถะเราได้ความสงบสุขยังไงเราทำวิปัสสนาเราได้ปัญญาแล้วมันพ้นทุกข์ได้ยังไง ใครมาฝึกมันก็ไม่ดิ้นไปอย่างอื่นหรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่อย่างนี้งั้นเราอย่าไปหลงงมงายอะไรพิลึกพิลั่นมากนับนะใช้เหตุผลให้มากหน่อยบางคนไปฝากชีวิตไว้กับดวงชาวพุทธไม่สนใจเรื่องดวงสนใจแต่ว่าจิตมีกี่ดวงตอนนี้เป็นดวงอะไรจิตดวงนี้เป็นจิตมีโมหะอะอย่างนี้น่าสนใจ บังเอิญก็ไม่มีฟลุกก็ไม่มีทุกยอย่างอยู่กับกรรมคำว่าบาังเอิญไม่มีทำไมพวกเรามานั่งพร้อมๆกันอยู่ในนี้บังเอิญไม่มีเพราะต่างคนต่างมาใช่ไหมมีเจตนามาไม่ใช่ละเมอมาเนี่ยแต่ก็เจตนามามีกรรมของตัวเอง ลงมือเป็นกายกรรมเดินทางมามานั่งอยู่ตรงนี้เกิดสาราพังทับตายพร้อมๆกันหรืออย่างข้าขึ้นเรือบินเรือบินตกตายพร้อมๆกันเพราะมันมีกรรมมีกรรมที่จะตายพอดีด้วยกันอย่างนี้แหละทุกอย่างเป็นเรื่องกรรมนะไม่มีบังเอิญไม่มีควาว่าฟลุกยิ่งถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม เราก็ทำอย่างที่พระเทเจ้าสอนให้ละความชั่วกําชั่วไม่เอาให้ทำกรรมดีทำจิตให้ผ่องแผ้วจิตจะผ่องแผ้วได้ก็ด้วยปัญญานั่นแหละค่อยๆล้างสิ่งโสโครกออกจากใจเราก็ฝึกทุกวันทุกวันพวกเรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมรู้สึกไหม รู้สึกไหมใจเราสะอาดขึ้นมันสว่างขึ้นมันสงบขึ้นเมื่อก่อนให้นั่งสมาธินั่งกันไม่ได้ใจฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้เรื่องสมาธิง่ายมากแค่นี้ก็เป็นสมาธิอยู่แล้วนะทําแไรมันก็เป็นสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถอยู่แล้วส่วนจะให้จิตรวมไปสมาธิให้ลึกๆนั้นก็ต้องฝึกเานาะให้จิตมันพักพอสมควรแล้วมีเรื่องมีแรงแล้วนะขึ้นมาเ ด, นเดินปัญญาต่อนะ หรือถ้าชอบในฌานินเดินปัญญาในฌานต่อไปเลยไม่อยู่เฉยเฉยเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปถ้าทําในฌานนะก็เห็นไตรลักษณ์ของนมามธรรมคือองค์ฌานทั้งหลายเกิดดับถ้าออกมาข้างนอกนี้ก็เห็นมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมเกิดดับไปงั้นเราไม่ได้รู้ตัวอยู่เฉยเฉยไม่ได้สงบอยู่เฉยเฉยต้องเดินปัญญา นอกจากปัญญาแล้วไม่มีอะไรจะมาช่วยเราให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าสอนบอกบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาอยู่ดีๆไม่เกิดเมื่อช้าหลวงพ่อบอกแล้วนะมีองค์ธรรมจานวนมากเลยมาช่วยกันหล่อเลี้ยงให้เกิดปัญญามันอย่างพวกเราเราโตมาถึงวันนี้เราเพิ่งพาคนจนํานวนมากเพึ่งพาใครบ้างลองนึกสิพึ่งพาคนปลูกข้าวพึ่งพาคนปลูกไฝ้า นะพึ่งพาเยอะเลยพึ่งพาคนทํำฝนเทียมอะไรอย่างนี้นะพึ่งไปหมดอนะ่ะกวาดแจะมาเจอตัวโตเท่านี้นะเราเพึ่งอะไรมาเยอะเลยมีองค์ประกอบมากมายนะถ้ามองตื้นๆเราบอกว่าพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์ที่จริงพึ่งคนอื่นด้วยเยอะแยะเลยนะข้าวมันลอยมาได้เองที่ไหนนะนงอกได้เองที่ไหนนะก็มีคนทําขึ้นมาในข้าวสมัยก่อนนะก็ยังมี บุญคุณของควายอยู่ด้วยมีบัวมีควายด้วยนี่เราก็พึ่งเขาทางอ้อมมาเรื่อยๆนะถ้าใจใจมันมองได้อย่างนี้นะใจมันจะไม่เป็นสตูอะไรกับใครนะจะรู้สึกเลยสัตว์โลกนี่มันพึ่งพาอาศัยกันเต็มไปหมดเลยถ้าเบียดเบียนกันก็เดือดร้อนพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันก็ร่มเย็นใจมีรู้สึกอย่างนี้ใจมันจะมีเมตตาฝึกไปเรื่อยๆนะ ใจมีความสุขโลกนี้ร้อนปัญหาในโลกมีไม่มีที่สิ้นสุดเลยวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้ไม่ได้แข็งแรงจริงอย่างที่คิดหรอกเคยมีไอ้หนุ่มคนนึ่งนะไม่ใช่หลวงพ่อนะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งไปภานาอยู่วัดป่าทางสุรินนี่แหละวัดสายหลวงพูดุลเนี่ยวันหนึ่งภานาไปเนะี่ย เขามอ ง, งไปออกมาจากวัดกลับมาจากนั่งสมาธิที่วัดนนเดินกลับบ้านดูลงไปที่พื้นดินนี้พื้นดินนี้เป็นเปลือกบางๆเองข้างล่างนี้เหลวๆนะร้อนมากเป็นไฟร้อนมากมีเปลือกบางๆไม่ไม่หนาเท่าไหร่บอกเหมือนเปลือกส้มเท่านั้นเหมือนเปลือกไข่เท่านี้นข้างในนี้อยู่ไม่ได้อยู่ได้แต่ผิวๆ แล้วก็รู้สึกว่าข้างในนี่มันเคลื่อนที่ได้ของเหลวข้างในมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไอ้ผิวข้างนอกนี่มันก็เคลื่อนที่ได้พอเห็นตรงนี้นะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มั่นคงชีวิตนี้ไม่แน่นอนก็ออกมาบวชนะออกมาบวชบวชอยู่ได้เจ็ดวันบวชอยู่เจ็วันนะนั่งสมาธิไปใจมรวมเข้ามามันตัดความคิดความนึกอะไรออกไป ถามครูบาอาจารย์เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่หลวงปู่ดุลนี่เป็นลกูลกศิษย์หลวงปู่อีกทีหลวงตาซอมบอกว่าจีบไมเนน่เข้านิโรธคนนี้ก็มเข้านิโรธเข้านิโรธเป็นยังไงสนใจอยากขนาดเลยไปถามหลวงปู่ดุลดีกว่าฉันข้าวเสร็จแล้วก็เดินตัดทุ่งมาสามกิโล ตัดทุ้งไปหาหลวงปู ด, ดุลเดี๋ยวนี้ตัดไม่ได้นะ้ำเป็นตึกวางไปหมดละตัดเท้าไปหลังบ้านเขาถูกเขาตีตายเลยคร <c oughs> ั้งนี้เมื่อก่อนเดินทุ้งวะหลวงพ่อเดินทุ้งเนี่ยเดินไปเดินมาไปถึงไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตผมถึงนิโรธจีดผมครับนิโรธหลวงปู่หันมาตวาดเลยเฮ้ยนี่โรธนิโรธอะไรกันเดาโดนตว่าดทีนะจิตนับเบิกบานขึ้นมาเลย หลดจากตัวนี้ไปภาวนาดีนะตรงนี้แต่ตอหลังโดนจับสึกไปจับศึกก็น้าสงสารมากเลยคือหลวงปู่ใช้เป็นพระอุปถากช่วงท้ายๆในย่ามหลวงปู่เนี่ยทางวัดก็จะเอาเหรียญมาใส่ไว้พระนี่มีหน้าที่แจกเหรียญแทนหลวงปู่ใครมาขอเหรียญก็แจกแจกแจกนี่บวชมานะภาวนาไม่ได้เรียนวิไย พอหลวงปู่มรณภาพปุ๊บโยมมาอีกก็ยังใจอีกพักพวกมันไสมานานแล้วโจดาบัติเนี้ยเอาของส่งไปแจกเขาลักรอบเอาของส่งไปแจกเพราะตอนทันทีที่หลวงปู่สิ้นทรัพย์สินธของท่านตกเป็นของวัดแล้วโจดาบัติี้เนียเสียใจสึกไปเลยนะสึกไปเลยน่าเสียดายอยู่แต่หลังไ่เป็นคนขี่สาล้อ สามลอ้อขีสอ่สามล้อน่าสงสารไหมเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นมาแล้วล่ะโลกนี้ไม่แน่นอนเราก็อย่าเน้นว่าโลกจะแน่นอนนะเราอยู่ของเราดีๆซื่อสัตย์สุจริตเวลากมให้ผลก็มีเหมือนกันเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะแปรพรวนเมื่อไรไม่รู้ว่าความทุกข์จะเข้าถึงใจเราได้เมื่อไรต้องฝึกความทุกข์จะมาเมื่อไรไม่รู้ความแก่ความเจ็บความตาย ความแก่เนี่ยพอรู้ว่าจะมาเมื่อไรความเจ็บไม่รู้ความตายไม่ไม่แน่บางคนนะหมอบอกว่าจะตายเคยมีนะหมอบอกว่าจะตายแต่เขาก็รักษานะรักษามะเร็งก็หายแต่หมอบอกว่าอยู่ไม่นานก็เป็นอีกอยู่มาจนลูกเกือบตายแม่ไม่ตาย <laughs> โลกนี้เป็นไปด้วยความไม่ได้นอนเป็น <laughs> วยความไม่ได้นอน ของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีบังเอิญไม่มีโชคช่วยไม่มีทุกอย่างอยู่ที่การกระทาอดทนทาไปทำให้ถูกนะทำผิด่าไม่ได้เรื่องนะจะนั่งสมาธิหัวปักหัวปัามไม่ได้เรื่องนะจะนั่งสมาธิต้องมีสติขาสติเมื่อไหร่เป็นวิชาสมาธิจะรู้สึกไปฝึกจนชำนาญ ชำนาญคำว่าชำนาญของสมาธินะีมีชำนาญสี่อย่างชำนาญในการเข้านึกจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อัตโนมัติชำนาญในการทรงอยู่เข้าไปได้อยากจะทรงอยู่ก็อยู่ได้ไม่ใช่เข้าแล้วก็เด้งดึ๋งออกมาชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิตัวนี้ตัวใหญ่เลยชำนาญตัวอื่นนะยังสู้ตัวนี้ไม่ได้หรอก ถ้าชำนาญเจริญปัญญาในสมาธิได้นะยังได้มรรคผลได้ถ้าชำนาญในสมาธิเฉยๆเข้าไปแล้วไปทรงฌานนิ่งๆได้ความสุขชำนาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการเจริญปัญญาสุดท้ายชำนาญในการออกออกจากสมาธิก็ต้องใช้ความชำนาญส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะไม่สอนให้ดึงจิตออกจากสมาธิใอ่จกให้นั่งไปมันถอนเอง นั่งจนมันถอนเองนถ้าเราจะฝึกแล้ทำไงใจจะถอนต้องจำกิริยาที่ใจถอนออกจากสมาธิได้ค่อยๆถอนถอนถอนขึ้นมาถอนนุ่มๆ น, นะถอนพวดๆทีเดียวแล้วปวดหัวเลยนะของเหล่นี้อยากเล่นก็ต้องฝึกของเสื่อมนะเป็นโลกีธรรมอย่างของเสื่อม เข้าฌานไม่ได้ก็อย่าเสียใจหน้าตาส่วนใหญ่ของพวกเราเข้าไม่ได้หรอกอย่าฝึกเลยหน้าตาโงเ่เฮงไม่ให้โงเ่เฮงไม่ให้วันวันหนึ่งนะเล่นแชทเล่นไลน์อะไรเงี้ยที่จะมาเข้าฌานอย่าคุยเลยยากฟุง้งซ่านเราก็ใช้สมาธิพอประมาณสมาธิชั่วขณะไม่มีอภินาสมาธิไม่มีอุปจารสมาธิ อาศัยคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะสมาธิชั่วขณะเกิดจากอะไรอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่ไหลไปถ้าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้งั้นเมื่อก่อนครูบาจารย์สอนนะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้เป็นนะไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบแต่พุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ทุกทีที่รู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะ ได้คณิกะสมาธิขึ้นมาสมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญาดีที่สุดเลยนะอยู่กับโลกธรรมดานี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอกระทบ ป, ปุ๊บจิตยินดียินร้ายขึ้นมานะจิตจะไหลไปรู้ทานจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นดีเห็ น, หนชั่วนะเกิดดับไดนะ้เกิดปัญญาได้พระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้นะพระอรหันต์ที่ทรงฌาน ในสมัยพุทธกาลมี3าปท่านั้สมัยนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ห้ามตอบนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีพระอรหันต์หรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าชอบตั้งกระเงนงะอย่างงมงายนะงมงายแตกตื่นสำนักโน้ น, สำ น, น, นสำนักนี้มิเศ ษ, ม, เศษมิโสอะไรรู้หลักแล้วพานาให้ได้การเรียน เ, เราไม่ต้องร่อนเร่นนะ เอาซีดีไปถ้าจะเรียนกับหลวงพ่อก็เอาซีดีไปฟังเอาภาวนากันที่บ้านนี่แหะเม่อมันพัฒนามองเห็นผลได้เห็นด้วยตัวเองในเวลาไม่นานหรอกเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเอาส่งกันบ้านเอาว่ามาจั บ, บนำมการหลวงพ่อค่ะคือเพิ่งจะมาเป็นครั้งที่สอนะคะเคยฟังซีดีของหลวงพ่อก็มีบุญที่ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ใช่มีบุญที่ได้ปฏิบัติถูก ยัง <c oughs> มีบุญไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> การดูจิตดูใจเนี่ยนะมีหลายแบบถ้าเราจงใจไปดูจะเป็นสมถะแต่ถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะเห็นความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านยี่นี้เป็นการเจริญปัญญา <c oughs> ถ้าจงใจจะดูจิตจะนั่งเฝ้าเป็นสมถะนะ <c oughs> ให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นถึงจะใช้ได้ ก็เพิ่งได้ได้รับคําตอบจากพระอาจารย์วันนี้เองก็คือคําถามที่จะถามนีคะเพราะปกติก็ทําสมถะแล้วก็วิปัสสนาแต่ว่าคือวิปัสสนานี i ก็คือทําไปรู้เฉยๆโดยไม่ได้พิจารณาใต้รักมันไม่เห็นใจรักมันเป็นสมถายิ่งแบบหนึ่งเราเนื่อว่าเป็นวิปัสสนาไปทำเอาหน้าอีกคําถามหนึ่งนะคะคือปกติเวลาทำระลึกรู้เนี่ยจิตจะฟุ้งไปเรื่อยๆ ทีนิยมจะใช้วิธีการแบบบริกรรมมาช่วยตัดความฟุ้งออกไปนี่จะถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกให้บริกรรมแล้วรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปบริกรรมตัดความฟุง้งเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างไหมเป็นน้องสาวหลวงตามหาบัวนะท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปจิตจิตเคลื่อนไปคือจิตฟุ้งนั่นเอง จิตฟุ้งเรารู้จิตฟุ้งเรารู้จิตฟุ้งเรารู้บริกรรมอยู่นะไม่ได้บริกรรมให้จิตนิง่งแต่บริกรรมแล้วจิตฟุ้งเรารู้ถ้าจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าบริกรรมตัดความคิดมันจะมุ่งไปสู่อารามนุปนิชนันไปสู่สมาธิอีกแบบหนึ่งนิ่งๆเฉยๆนะ <Okay. S 1> และถ้าเจือด้วยกิเลสด้วยก็เป็นมิจฉาสมาธิไปเลยเช่นอยากสงบอยากดีนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างได้ มีกิเลสเจือเข้ามาเป็นมิจฉาสมาธิไปเลยนะงั้นใ ห, ให้บริกรรมไปแล้วจิตหลงไปรู้ว่าจิตหลงเท่านี้พอแล้วไม่ต้องรักษามันกล้าๆนะกลาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้ตอนเช้ามัวแล้วก็เหมือนจะสว่างขึ้นมาเว็บหนึ่งแล้วก็กลับไปมัวอกีกเราไม่ได้ภาวนาเอาสว่างนะ เราพาวนาให้เห็นะจะมืดหรือจะสว่างก็ไม่เที่ยงจะมืดหรือจะสว่างก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้เห็นไหมนี้ถ้าเราพาวนาเอาสว่างเนี่ยพอมืดมาโอ้แย่แล้วแย่ล้วใจยิ่งใหญ่ใหญ่ภาวนาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่ามืดก็ไม่เที่ยงสว่างก็ไม่เที่ยงมืดก็สั่งไม่ได้สว่างก็สั่งไม่ได้นะทุกอย่างจะดูอย่างเดียวกันนี้หมดเลยเจมีอะไรเพิ่มเติมแค่นี้ก็เยอะแล้วเจ้าค่ะ อย่าไปรีบร้อนดูไปสบายสบาย <จะ S 2> ช่วงนี้มันเหนื่อยค่ะหลวงพ่อมันก็แน่นๆเหมือนพยายามจะเพง่งหนีออกมาค่ะก็เมื่อเช้าเห็นเพิ่งเห็นว่าไอ้ที่แน่นะมันไม่เกี่ยวกับจิตอะค่ะก็ไม่ใช่จิตรอบเรื่องสารอยากจะเห็นเองหลวงพ่อก็ไม่เห็นแล้วค่ะนี่มันก็มันรวมกันอีกแล้วก็ดูโลภะดูอะไรรอบๆมันไปดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนะ ดูความรู้สึกได้แล้วก็รู้ทันปฏิกิริยาของจิตต่อความรู้สึกนั้นเช่นรู้ว่ามีความทุกข์เนี่ยจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าเห็นความโกรธหรือเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดูไม่ออกว่าจิตชอบไม่ชอบเขาไม่ต้องหาถ้าหาเอ๊ะตอนนี้ชอบหรือไม่ชอบตอนนี้ฟุง้งซ่านะหลวงพ่อคะบางทีรู้ว่าตอนนั้นมันไม่มีสมาธิห่แต่ว่า มันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งอะไรเงี้ยมันถูกิดเองถูกสมาธิที่เราใช้มีแค่เรียกคณิกะชั่วขณะเท่านั้นมันไม่ได้ทรงนานๆสมาธิที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนได้ขณะหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆนะมันจะมีความรู้สึกทรงเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนะเหมือนกับคนที่เข้าฌานมาแล้วเข้าถึงฌานที่สองออกจากฌานมาแล้วเนี่ยมันจะทรงเด่นดวงอยู่กันได้หลายวัน สภาวะก็อันเดียวกันนะแต่มันกําลังมันไม่เท่ามันยาวกว่ากันนะที่ถูกมีนิดเดียวที่ผิดมีเยอะแต่อย่าหาที่ถูกอย่าทําที่ถูกให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันถูกเองถูกทีละหน่อยทีละหน่อยนะบ่อยๆเข้ามันก็ได้เยอะนะครับกราบน้ำพส ก, กัดหลวงพ่อครับอืคื อ, อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาปฏิบัติแล้วมันลืมหลักไปนิดนึงครับ คือมันมากน้อยสันโดษแต่มันคลุกเคลียครับโอ้เสียสิก็จิตก็ฟุงฟ้งซ่าฟุ้งซ่านไปเลยครับทีนี้ก็อยากจะได้คําแนะนําต่อครับนะจิตฟุ้งซ่านอันนี้มันเป็นวิบากแล้วละ่ะนะวิบากจากการคลุกเคลียของเราใจมันไม่มีความสุขไม่มีความสงบไปอีกช่วงหนึ่งเป็นปกติก็ต้องรับสภาพนะอย่าเวลาเราไปยุ่งอะไรมากๆ ก, กับโลกในใจก็จะฟุ้งไปช่วงหนึ่งเป็นธรรมดา ถ้าเราใจรู้สึกว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้ใจเข้าถึงความเป็นธรรมดานะจะสงบหรือจะฟุ้งซ่านใจก็เท่าเทียมกันนะใจยังไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงมันเข้าถึงความสงบสุขอีกประณีตอีกชนิดหนึ่งเลยครับผมแล้วแต่ละวันใจมันค่อนข้างเวียงขึ้นเวียงลงเยอะถูกดีถ้าใจไม่เวี่ยงเลยต้องรีบมาปรึกษานะแสดงว่าติดสมาธิฮะแล้วคนรอบๆตัวเป็นมาร น, นะครับ อ ม, มารตัวร้ายคือกิเลสมารกับอาภิสังขารมารของเรานี่แหละคนรับรับตัวมันก็แค่ผัสสะแค่ตามองเห็นแค่หูได้ยินเสียงใช่ไหมหรือว่าตัวเหม็นมากก็จะหมูกได้กลิ่นอย่างเงี้ยนะลิ้นเราคงไม่ได้ไปเลียเขานาะลิ้นผมไม่รู้รสหรอกนะมันแค่ผัสสะนะคนอื่นมันอย่งมัด่าเราเนี้ยมันแค่แค่ผัสสะโกรธไม่โกรธอยู่ที่ตัวเองละทุกไม่ทุกอยู่ที่ตัวเองละ ตัวที่ทําให้กลรธนะกิเลสกิเลสมานมันจะโกรธดได้อาศัยความคิดของเราคืออภิสังขารมานงั้นข้างนอกนะเป็นแค่ผัสสะเท่านั้นเนี่ยตัวตัดสินอยู่ข้างในเรานะอย่าไปว่าเขาเป็นมันนะครับขอบคุณครับให้เราดูมานในใจเรานี่ตัวร้ายมันข้างนอกธรรมดาอย่ากลัวมันมานไม่มีบารมีไม่เกิดนี่ไม่ใช่คําขวัญนะเรื่องจริงๆเลย เมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะตอนหลวงปู่ดูลยังอยู่เนี่ยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับต่อไปถ้าผมไม่มีโอกาสเรียนกับหลวงปู่แล้วเนี่ยผมจะเรียนกับใครเห็นไหมถามสุภาพไหมหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ตายแล้วผมจะไปเรียนที่ไหนอหาอารัยาชไม่ได้เลย ดังทีผมไม่มีโอกาสเรียนกับหลวงปู่แล้ผมจะเรียนกับใครนะไม่เรียนกับหลวงพ่อกิมนะถ้าจากหลวงพ่อกิมท่านตอบมาหลวงตาผนึกนะหลวงตาพนึกแต่กัหลวงตาพนึกหลวงพ่อไม่ได้เรียนกับท่านน ะ, นะเรียนกับหลวงพ่อกิมเจอหน้าหลวงตาพนึกนะหลวงพ่อยังไม่บวชหรอกเจอที่ไรหลวงตาพนึกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมานไม่มีบารมีไม่เกิด ชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูเป็นยาชูกำลังเราเลยไปสู้กับใครนะทีนี่นะ <c oughs> มีมารผจนดีเวลาผ่านแล้วเราเติบโตนะคราบนรมาจาการค่ะหลวงพ่อว่ามาเป็นแม่ชีหรือเปล่านี้ค่ะเ ป, เ, เป็นแม่ชีค่ะวันก่อนไปเทศนะ์นะมีคนหนึ่งแต่งตัวเป็นแม่ชีเขาบอกไม่ได้เป็นแม่ชี ฝังเราเวี่ยนหัวอยู่ว่ามาไม่ได้มากลับหลวงพ่อสองปีกว่าแล้วนะคะพอจะให้คำแนะนำญาติโยมได้บ้างไหมคะตอนนี้ถ้ามีคนมาปรึกษาเรื่องการปฏิบัตินะคะแน่เท่าที่เรารู้นะค่ะตรงไหนไม่รู้บอกไปฟังซีดีหลวงพ่อนะตั้งแต่นั่งมาเนี่ยกลางอกมันเต้นตลอดเลยคะ่ะก็นั่งนั่งรับรู้ตรงนี้ไปรู้สึกจะเป็น เป็นความตื่นเต้นมั้งคะเออเป็นความตื่นเต้นนะเห็นมันทำงานขาช่วงหลังรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเข้าฐานเท่าไหร่ไม่ได้นะตัวนี้ไม่ได้ที่หลวงพ่อเป็นมันรู้ตัวอยู่ตลอดเลยนะค่ะเห็นสภาวะตลอดเลยแต่มันไม่เข้าฐานเนี่ยเคยถามหลวงตามหาบัวอ่าพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาตอนนี้ทาไมมันไม่พัฒนาใช่ค่ะ ใช่สิเนี่ยเพราะท่านเคยตอบหลวงพ่อมาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตตอนนี้ดูไม่ถึงจิตแล้วท่านบอกต้องเชื่อเราหน้าเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองตรงนี้สําคัญมากนะอะไรสู้บริกรรมไม่ได้ค่ะไปทําเอาโอ้ท่านให้บริกรรมหลวงพ่อก็มาพุโทโธพุโทโธโอ้พุโทโธไปไม่กี่ทีนะเหมือนหน้าอกจะแตกเลยใจไม่ชอบพุโทโธใช่ค่ะบริกรรมไม่ได้เลยค่ะออพอใจไม่ชอบพุโทโธนะก็มา น, นึกถึงเอ๊ะทําไมครูบาอาจารย์ ว่าเราดูไม่ถึงจิตแล้วให้บริกรรมสังเกตสังเกตไปจิมไปจ้าอยู่ข้างนอกค่ะนะนเราก็ทำสมาธิหลวงพาก็ทำอนาปนสติเพราะว่าชอบอนาปนสติทำแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกนะไม่ได้พุทโธพุทโธอะไรหรอกหายใจไปเรื่อยๆแล้วใจรวมเข้ามานะั้โอ้ยใจเข้าบ้านนะไม่ชีหายใจเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจก่อนแล้หายใจเข้ามาหายใจความรู้สึกกลับเข้ามา ทำอย่างนั้นสักสองครั้งพอนะถ้าสามครั้งจะแน่นไปเป็นอุบายหรองวันนี้หายใจเข้าบ้านซะค่ะเพราะว่าสองปีกว่าแล้วไม่ได้มาส่งกันบ้านเลยค่ะเคยเป็นอนนีนเน้เป็นเป็นปีเลย <c oughs> นี่ได้ดวงตาแก้ให้นะไปทำเอาให้เข้าบ้านก่อนค่ะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวนะไม่งั้นใจจะฟุ้งไป ตรงที่ใจไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งชื่อว่าโอภาษ์น ะ, ะแล้วถ้าตัวนี้เกิดแล้วก็เที่ยวไปสอนคนด้วยจะมีวิปัสสนูตัวอื่นตามมาอีกจะฟุ้งในธรรมะค่ะใค่เป็นโลงบ้านน้าลายนะอยากสอนตลอดเลยต้องระวังนะใจต้องถึงฐา น, นจริงๆวิปัสสนูมีสิบตัวทั้งสิบตัวเนี้่เกิดจากจิตไม่ถึงฐานทั้งหมดเลยถ้าจิตเข้าถึงฐานจริงๆแล้ววิปัสสนูจะหายทันทีเลยงั้นตัวนี้สําคัญนะ กลับนมัสการค่ะกลับน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะคือหนูฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหนูก็เลยอยากทราบว่าหนูปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนถูกไหมหนูเห็นกิเลสหรือยังอะค่ะเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดเห็นไหมเห็นค่ะเวลาตัวเองโกรธหรือว่าตัวเองไม่พอใจอะไตัวนี้จะดูสะดวกดูง่ายค่ะต่อไปนี้นะก็ฝึกกรรมฐาน ใจหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันไม่ว่ามันใจหงุดหงิดรู้ทันนะไม่ว่ามันรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะและ้วตัดไปตัวอื่นมันก็เห็นเองแหล ะ, ะตอนแรกก็จะเห็นตัวโกรธก่อนตัวโกรธ ด, ดูง่ายที่สุดต่อไปก็จะเห็นตัวโลภแล้วเห็นตัวหลงตัวหลงก็ใจมันหลงไปใจมันไหลไปหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นเองอ่ะใจมันไหลไปไหนมันไปไหลไปสร้างพบสร้างชาติพบดีบ้างพบชั่วบ้างแต่ร้อนแต่ทุกข์ทั้งนั้นอน่ะ ให้รู้ทันใจที่ไหลถ้ารู้ใจไหลไม่ได้ใจกุดหิดขึ้นมาก็รู้ใจงุนหิดขึ้นมาก็รู้นะไปฝึกอย่างนี้นะทําบ่อยๆค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อครับอืมเลิกเพลงยังเลิกแล้วครับเออดีเพลงไปก็เท่านั้นเลยครับเนอะเหนื่อยเหนื่อยมากครับเป็นภาระทั้งจตเปนภาระครับสมาธิเราไม่ทิ้งหรอกนะครับ แต่เราอย่าไปติดเพง่งเท่ะนะสมาี่เขาทำทุกวันทุกวันแต่อย่าไปจ้องบังคับไว้ทำสมาธิไปแล้วใจเคลื่อนเรารู้ใจไหลเรารู้นะครับมันจะได้มีกำลังถ้าไม่ทำเลยมันจะฟุง้งซ่านครับผมนะไปปรับตัวนี้ซะขอบพระคุณมากครับกลับนมัสการเจ้าขาหนูอยากสอบถามว่าหนูยังปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าครับ เราควรทําอย่างไรต่อไปเจ้าคะ่ะทำอีกไปภาวนาต่อนะเจ้าคะ่ะหายใจไปรู้สึกตัวไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปก็นะมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาค่อยๆรู้เอาอย่าทิ้งร่างกายนะเห็นไหมเมื่อกี้ร่างกายพยักหน้านะเวลาดูจิตไม่ออกมันตื่นเต้นมากหรือมันโล่งว่างไปมันดู ก, กายไว กายไม่ไม่โล่งว่างไปไหนหรอกกายมันมีจริงๆดูมันอย่างเนี้ถ้าจิตใจมีเรื่องมีแรงเดี๋ยวมันก็ดูจิตได้หายใจสิหายใจแล้วเห็นร่างกายหายใจลองทําสิหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สบายสบายรู้สบายสบาย อย่าทิ้งคาว่าสบายนะเจ้าขาเขาเขาพาคุณมาเจ้าขากลับเช<อ> <มา S 1> ียงกับบ้าน